t h a n i c o d ก็เสมอเหมือนว่าเรียกร้องเรียกร้องให้เรามาฟังเท่านั้นเองอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าไปที่ไหนต้องเรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องอะไรก็เรียกร้องให้มาฟังเท่านั้นเองฟังคําพูดคำเตือนดังนั้นการฟังเทศน์นั้ต้องเข้าใจถ้าหากไม่เข้าใจแล้วมันก็ได้ผลน้อยหรือมันไม่คุ้มค่าที่เรานั่งเลยพูด อ, อย่างนี้ก็ค่อนข้างหนักแต่มันไม่หน่ะ ถ้ไม่คุ้มค่าที่เรานั่งแล้วก็เสียเวลาคนกรุงเทพเนี่ยเวลาเป็เงินเป็นทอง <plein. S 1> เพราะว่าอาชีพแต่และคนละคน อ, อาชีพแต่และคนละคนไม่เหมือนกันใครทางานเนี่ยวันที่วันเสาร์พักงานบางคนวันเสาร์ยังไม่ได้พักพักวันที่เนี่ยบางคนได้พักวันเสาร์วันเป็นอย่างาไงัวอาชีพไม่เหมือนกันดังนั้นคนกรุงเทพเนี่ยแรงนานมีค่ามากไม่เหมือนกับ มีบ้านหลวงพ่อต้องทำ ม, มาจริงวัดต้องตั้งใจจริงๆถ้าหากไม่ตั้งใจแล้วจะเข้าใจไม่ได้ผลที่เราเปิดอบรมกันมานี่ตั้งแต่วันที่สามติดเป็นเวลาห้าวันก็รู้สึกว่าเป็นจนํานวนน้อยที่ยังเข้าใจรูปนามกันเลยดี๋ยววันนี้ที่จะเข้าใจผมคิดก่อยิ่งน้อยไปวันนี้ที่จะเข้าใจว่า การเดินเข้าไปจริงๆเรื่องชีวิตจริงๆก็ยังน้อยไปดังนั้นจะเรียกร้องให้พวกเราฟังอยู่ก็ยังน้อยที่สุดจะเป็นคนกลุ่มน้อยมากดังนั้นปีเก่าที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีใหม่ปีเก่าที่ผ่านไปแล้วเราจะไปยกเรื่องเอาอดีตที่ปี ท, ท, ท, ท, ที่แล้วมาพูดมันก็ไม่ได้ผลวันนี้เราจะไปยกเอาอะไรมาพูดกันยกปัจจุบันอนดีตอนานะคตปัจจุบัน อดีตที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ผลอ น, นาคตที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ได้ผลมันจะได้ผลดีแต่เท่าปัจจุบันท่านั้นเอดังนั้นการทําบุญก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญวิพิชนาก็ตามแต่สมถามันต้องพูดบันนี้การให้ทานเนี่ยท่านว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าให้ฟังการให้ทานร้อยพั้งพันผลอานิสงส์นั้นน่ะจะได้น้อยที่สุดแต่ไม่ต้องว่าทานให้สัตว์ในลาสาร ทานให้คนพูดสิ้นคนพูดมีสิ้นคนพั้มีสิ้ น, น, นทานแต่ไม่ต้องพูดถึงเพามันยาวการให้ทานเนี่ยลอยครั้งพันผลก็ตามสู้คนรู้สึกครั้งเดียวไม่ได้การนักาษาศีลจะทําให้จิตใจเราหนักแน่นเท่าไห่ก็ตามแต่ยังสู้การรู้สึกตัวครั้งเดียวไม่ได้ท่านไวน้การรู้สึกตัวนี่จึงมีอันยิ่งสงมากท่านไว้ทําไมมีอันยิ่งสงมากเพราะจะให้รู้จากว่า เสียงคนร้องอยู่ตรงนี้เราต้องเดินไปหาเสียงคนได้การให้ฐานนยังไม่ได้ยินเสียงคนร้องเราเรียกเรายังไม่ได้ยินเลยดังนั้นการทําความสงบกดเช่นเดียวกันยังไม่รู้จักการรักษาจิตก็ยังไม่รู้จักดังนั้นจึทําทควมรู้สึกตัวให้มากประเมินผลแล้วเลยว่าวัฒน์นันไหนทีนี้อดเปิดอบรมนี้รู้สึกว่าเปิดโอกาสให้คนมาถามได้เรียกร้องให้คนมาดูได้เลย สันที่ติโกนอันผู้รู้จากพึงนั่นเองอาการดีกโกไม่ประกอบการและเวลาแล้จะเป็นยุคใดสมัยได้ก่อสามเรียกร้องคนมาดูได้เป็นการเรียกร้องให้ญาติโยมมาได้ทุกโอกาสมาได้ทุกเวลาแ <c oughs> ต่ว่าหนวงพ่อนะนะวา่าคูณเด็กหลวงพ่อนี่ยหมู่พันจิว่าจะเด็กกบหมู้จากแล้วพระเลยแล้วอาตมาเข้าใจว่าพระเรนทุกองค์คงจะต้อนรับญาติโยมได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจ้ะว่าลักษณะไหนเป็นสาธารณะผู้สนใจแต่ว่าไม่เป็นสาธารณะกับบุคคลผู้ที่ยังติดอยู่ในเรื่องป่าชิตเด็กนั่นเองไในติดแต่คนใดที่วิทออกอยากตัวได้เป็นสาธารณะอะจริงจิเพราะว่าทีนี้พูดแล้วไม่ต้องติดอะไรทั้งหมดเลยถ้าติดอยู่ก็ไปไม่ได้คำว่าไม่ติดเป็นอิสระคําว่าอิสระนี่ก็ไม่ได้ผลถ้าอิสระทําไปตาม ใ, ใจชอบก็ไม่ได้ผล ดากนั้นคําว่าอิสระในที่นี้ก็อยากพูดให้เข้าใจกันเดียวอิสระก็หมายถึงบุคคลที่พ้นไปจากอันตรายนั่นเองถ้าหากยังไม่พ้นไปจากอันตรายเขาเป็นอิสระไม่ได้คําว่าอันตรายนะทุกคนก็ต้องรู้อ่ะพูดกันในน้อยสุดพ้นจากภูมิโรคภูมโกรธภูมหลงอันนี้กับพ้นจากอันตรายเช่นเดียวกันพ้นจากการอิจาลิสยาเดียดเดียดอันนี้กับพ้นจากอันตรายเช่นเดียวกันพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างอย่า ง, างนี้กับ เป็นการเป็นอิสระได้จริงๆแต่ว่ามันอิสระยังไม่สมบูรณ์ให้เราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอิสระเหมายถึงการเกิดก็ไม่มีการตายก็ไม่มีเึ่งพิอิสระเธอดังนั้นทุกคนจะประสบเรื่องนี้จริงๆที่หลวงพ่อพูดเคยรับรองได้ปากกาอีสระด้วยนะจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆเพราะว่าเป็นคนที่ไม่โผผไม่หลอกลวง ว่าไม่โกหกไม่หลอกลวงเนี่ยหมายถึงของจริงเรียกว่าอริยรสัจสัจจะจะเป็นของจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรพันถ้าเราไปติดเสียงสนเสริญเยอนยออยู่ไปไม่พน้นวันนี้เราไปไม่พอใจที่เขาตำ ม, มิอินทาก็ไปไม่พน้นเลยวันนี้เราไปสนเสริญหรือไปติดอะไรอันนึ่งเรียว่าจิตเบสทำนั้นเรียกว่าปาจิดเบสคิ ด, ดไม่ออกเลยเมื่อเขาติดแล้วเข า, จ, เขาจูงเป็นตามสใจวันนี้อิสระบันเนี่ย คำ ว, ว่าอิสระก็ไม่รู้จากทิศทางก็ไม่ได้อีกแล้วเหมือนดังนกบินของฟ้าเนี่ยจะไปจุดไหนไม่รู้เลยบินตลอดไปเลยวกไปเวียนมาวกไปเวียนมาไม่รู้จากจบเลยอันนั้นก็อิสระโดยที่ไม่รู้สึกดังนั้นคําว่าอิสระนี่ก็ให้เข้าใจบัด น, นี้กลับมาพูดกันเรื่องสัมมาทิฏฐิคําว่าสัมมาทิฏฐินี่นทุกคนรู้เห็นทูกต้อง เ, เห็นทูกต้องเห็นอะไรก็ว่าทําดีได้ดีสำเร็จทั้งหมอันนั้นก็ถูกแล้ววันนี้ต้องแขะกัน ว่าจะเป็นการประเมินประมวลคําพูดคือให้เราจับไปใช้ได้ง่ายคําว่าสัมมาทิฏฐิน่ะคือเห็นตาเป็นตาจริงๆเห็นหูเป็นหูจริงๆเห็นดังบรรลุคอในบรรดังเห็นจมูกเป็นจมูกจริงๆเห็นปากเป็นปากจริงๆเห็นกายเป็นกายจริงๆหรือตําหนิแผลที่รี้ลับอยู่ที่ไหนก็รู้นั่นจะว่าสัมมาทิฏฐิแผลเอาสมมุติอย่างที่ตําหนิแผลเราอยู่ที่ผ้าปกจิตพุ่มที่ไหนก็ตามเราต้องรู้ นี่สมาธิที่หลวงพ่อพูดอยูน่นี่ไม่สบายเห็นอย่างอื่นอันเห็นอย่างอื่นนั้นถูกแล้วแต่ว่ามันยังน้อยเไปดังนั้นอิสระเนี่ขอให้เขา้าใจนะที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่อวดดีนะไม่ใช่อวดดีพูดตามความจริงที่มีอยู่ในตัวเอามาพูดให้ฟังดังนั้นคนเนี่ยยังมองไม่เห็นว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วก็เรามาจากที่ไหนมาเกิดเนี่ยไม่รู้ดังนั้นคนจึงสนใจเรื่องการถามเนะ่ยตายแล้ววิญ ญ, ญาณจะเกิดที่ไหนมีจริงไหม อันนั้นยิ่งถามก็ยิ่งไม่รู้เพราะเรายังไม่เห็นแผลที่รีรับนั่นเองวิญญาณเนี่ยท่านพูดว่าอย่างนี้วิญญาณไม่รู้แต่ท่านผูรู้อย่างประเมินเอาไ ว, ว้ไว่าไฟที่มันไหม้ไม่ไหม้จะเป็นไม่ดิบก็าตามไม่แห้งก็าตามไม้อะไรก็าตามเมื่อเอาไปสุมไปจุ่เข้าไฟแล้วไฟมันไหม้เป็นเทาทั้งหมดเลยอันนี้เทาไม่แห้งอันนี้เทาไม่ดิบไม่เคยมีแล้วถ้าเป็นเทาเป็นหมดจริงจริง คนเราก็เหมือนกันตายทุกคนที่เดียวทุกคนแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องตายอันรูปอันนี้นะแต่ว่าพุทธส่วนก็ต้องตายจริงๆนี่เราให้เข้าใจจริงๆว่แผลที่รีรับเราไม่มองเห็นได้แต่บางคนก็ต้องเห็นอย่างที่เราถามกันนะตำหนีแท้อยู่ที่ไหนน่ยอยู่ที่ไหนก็จับทุกสันญญในแท้ของเราดังนั้นจึงว่าให้เราสนใจเรื่องชีวิตจิตใจของเราที่ว่าทุกจริงทุกอย่างมาประมวลลงที่หัวมรู้สึดตัวนี้เอง ความรู้สึกตัวอันเนี้ยทพิชขึ้นมานี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสัญญารู้เนี่ยสัญญาความหมายรู้จําได้เนี่ยอ้ามันคิดตายรู้เนี่ยความหมายรู้จําได้เนี่ยหายใจเข้าออกเนี่ยความหมายรู้จําได้ตาเลือดใสายแดงหลัวเนี่ยความหมายรู้จําได้เอียงมาอย่างนี้ความหมายรู้อันความหมายรู้จําได้เข า, า, าเรียกว่าสัญญาสัญญาอันนี้จะประเมินให้สัญญาอันนี้่จะประมวลให้ สัญญาอันนี้จะเป็นสิ่งที่หนักแน่นให้ท่านไว้แล้วนั้นหนักแน่นก็เรียกว่าคนผู้ที่มีสิ่งประเมินให้ก็เรียกว่าผู้รู้จักคุณค่าของตัวเองบัด น, นี้เมื่อรู้จักคุณค่าของตัวเองหนักแน่นอยู่ในตัวเองแล้วมาปัญญาก็รอบรู้บัด น, นี้จะพูดให้ฟังเรารู้จักรูปนามเอาสมมติเอานะแต่ว่ากัของจริงรู้จักรูปนามแล้วนามอย่างท่วมสีตาเพียงได้ยินเสียงขนลองมาข้างนี้มาข้างนี้ เดินไปได้บัด น, นี้คนรู้จักปลามาัดเอาจิตใจเปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเที่ยงคอน้ำจะมองเห็นอย่างนี้แต่ว่าไฟก็นานถึงบางทีอาจไม่ถึงก็ได้เพราะมันน้ําไหลเที่ยวบัด น, นี้ต้องพูดอย่างนี้เดินไปอาจจะลอยก็ได้บ้านหลวงเขาเรียกว่าลอยเมื่อลอยเขาต้องดำจริงอย่างนั้นบัด น, นี้คนที่นั่งเที่ยงอกเนี่ยน้าเทียงอกอันนี้กระเสดว่ามองเห็นหน้าตา ด, ดั้งเดิมแต่ว่ายังจาไม่ได้สนิท หน้าตาดั้งเดิมเป็นยังไงเนยเราจะไม่ได้มองนี่นี่น้ำพอเพียงขาเนี่ยเรามองเข้าไปใกล้ๆคนที่อยู่คอยเรียกเรานะคนที่เรียกเรานะมันได้ยินเลยคนที่เรมาทางนี้มาทางนี้นี่วันนสมมุติพูดนั่นนี่ยคนจะไปหาคนต้องมีการเรียกร้องกันถ้าไม่มีการเรียกร้องไม่ต้องไปไปไม่เสียงพอเดินน้ำเพียงขาเพียงเข้าเพียงเรียกร้องกันมาทางนี้มาเราเดินเข้าไปใกล้ไม้ถึงมาเข้าไปใกล้เลนะเด็กหลวงพ่อพูดนี่ น้ำเพียงกลางขามองเห็นหน้าตาก็จะชัดขึ้นบัดนี้น้ำเพียงเข่ามันเข้าไปใกล้ก็จะมองเห็นชัดขึ้นน้ำเพียงเท้าเราบ่มองเห็นใกล้อันนี้ก็แสดงว่าเราจะได้ไปเจอหรือไปเห็นหน้าตาดั้งเดิมพ่อของเราแม่ของเราเป็นยังไงเราจะได้รู้เองอย่าสุดเพียงว่าเออคือพ่อเราคือแม่เราเข้าไปจับแข้งจับขาจับเนื้อจับน้ำไม่ใส่พ่อเราจริง ไม่ใช่แม่เราจริงอันเดินไปหาพระพุทธเจ้ากาเช่นเดียวกันถ้าหากเราไม่รู้จักหลักพุทธศาสนาแล้วเราจะปฏิบัติหลักพุทธศาสนาไม่ตรงที่หลวงพ่อพูดนอันนี้หลวงพ่อจำได้ใ่เมื่ออายุยี่สิบปีไม่หลงเลยคำพูดอันนี้มันฝังแน่นอยู่ในภารในจิตใจเจ้าคณะอำเภอเสียงคานพระครูวิทยรรมปชัญ์เนี่ยพูดให้ฟังในประเทศอินเดียมีร้อยแปดศาสนารอยแปดลัทธิรอยแปดนิกายนะ ท่านว่าอย่างนั้นการศึกษาหลักพุทธศาสนานั้นต้องเข้าใจจริงๆร้อยแปดคนนั้นทําไมจึงไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องอะไรก็เพราะเขาไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าทําไมจึงไม่ปฏิบัติกับร้อแปดคนนั้นเพราะพระพุทธเจ้าทํามาแล้วท่านว่าเราเคยได้ดีนมาแล้วให้ทานนัก็ทํามาแล้วทํากรรมฐานจนได้สมาบัติแปดสมาบัติเจ็ดไม่ต้องพูด น, นเข้าฌานออกกานคล้องแค้วว่องไวเหมือนกับอาจารย์ทุกแง่ทุก tracked, ท่ก helper, ทางก็กทามาแล้ว อันนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นทางปฏิบัติทันวันยังไงปฏิบัติได้แต่มันยังไม่เป็นที่เป็นทางที่จะเข้าไปถึงที่สุดของทุกได้ช่ไหมจากนั้นมากลมาอดข้าวอดน้ำกั้นลมหายใจอันนี้ก็พระองค์ได้ทำมาแล้วทุกอย่างนั่นนี่ทุกอย่างเลยอันนี้ก็ททำมาแล้วคนอื่นจะทำเหมือนพระองค์ไม่มีทันวันยางน้นจะทานอกเหนือเราไปไม่มีเพราะเราทาถึงที่สุดจนจะตายนะ เข้ากินเข้าเม็ดงาแต่ละวันละวันนะท่านครูบาอาจารย์เราให้ฟังพ่อแม่เราให้ฟังนี่เราจะไปภาษาอะไรที่พวกเราทํากันทุกวันนี้บัด น, นี้พระองค์ไม่ต้องพูดเรื่องผลละไม่กินข้าวหนางสุดสดาสมบูรณ์แล้วเนี่ยกินข้าวสมบูรณ์แล้วที่ยังได้ตัดสรู้เปลี่ยนพบทพระ เ, เจ้าเพราะการทําทางใจทางจิต ท, ทางใจเดียวนี้ทําทางจิตทางใจทํำยังไงไม่รู้เลยนูงพ่อไม่รู้เลยจะคนอื่นอาจจะรู้ แต่วงพ่อว่าทําทางใจหลวงพ่อต้องไปดูลมหายใจเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อนั่งคนมสงบนี่อันนี้แหละียงว่านํามาพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกเพื่อทําความเข้าใจกับพวกเราให้พวกเราได้เข้าใจได้ปฏิบัติตามสิงที่สัมมาทิฏฐินั้นอ่ะใครจะตัดสินให้ไม่ได้พวกร้อยแป๊คนกับถาว่าพระพุทธเจ้าเป็นมิสซาทิฏฐิพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าโอ้เราทํามาแล้วสิ่งเหล่านั้นท่านรู้จักแต่ท่านก็จะพูดว่า บอกนั้นเป็นสมาทิฏฐิเป็นวิสัทธิฏฐิไม่ได้ยินเนี่นยท่านว่าเดลัสานวิสาได้ยินเสียงอปานนั้นเดลัสานวิสาหมายถึงสิ่งที่หวงกั้นครูบาอาจารย์เลาให้ฟังเป็นสิ่งที่หวงกั้นไม่ให้เรารู้มรรคผลนิพพานไม่ให้เราเกิดปัญญาการเห็นแจ้งรู้จริงอันนี้ได้ยินว่าอย่างนั้นนี่ว่าเดลัสานยินดังถ้าองค์ศัดไว้อีกกืนคําสั้นๆเป็นหลวงพ่อไม่รู้อายุสี่สิบหกปีหลวงพ่ อ, อยังรู้เรื่องนี้ ทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นเว้ไอนรรมไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษา ไ, ไม่ควรปฏิบัติมันให้โทษก็อย่างนั้นทัานั้นแต่ไม่รู้หลวงพ่อหลวงพ่อไปนั่งภาวนาเหมือนแค้งขาเนี่ยเวทนาเวทน า, ทนาแต่หลวงพ่อไม่มีสัญญาเวทนาตัวนี้สัญญาหลวงพ่อไม่มี แกรู้สึกว่าเวทนารู้สึกแกสัญญาไม่มี น, น, นานๆแล้ก็หา้เลือนไปเลยเวทนานะะ่ะหายนั่งได้หลับไปบางครัง้งนั่งนั่งขัดสมาธิขาเกี่ยวกันอย่างนี้เนี่ยาทาให้ดูกันได้ที่หลวงพ่อเคยทํามาแต่เมื่อเป็นงึงทาอย่างนี้พูดเถอะทำนี่ว่าทําให้หมดฤทธ์นะทําให้นั่งทําอย่างนี้หลวงพ่อทำป็นงึงทําอย่างนี้ทีเดียวเนี่ยทําอย่างนี้ขาหลวงพ่อจิวมันหลวงพ่อนั่งขัดสมาี่ว่ามันเทียบได้ ทำ น, น, นไม่รู้เลยเอาหัวมือมาจดกันในการหลั บ, ลบแต่หมือนอันนี้ก็ทนเอาเวทนาเอาจําเป็นเวทนามันเป็นอันนี้จงเข้าใจว่าอันนี้เป็นทุกขังเป็นในอย่างไม่ใช่เมื่อมาเข้าใจาอันนี้เป็นทุกขเวทนาทุกโซก โ, โซโกาทุกไข่ลำไส้ไม่ควรทําอย่างนี้เนี่ยเข้าใจอันนี้แหละทําเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนตนเองนั่งจนจิตตายเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บมืเอเนี่ย ก็ยังไม่รู้เนี่ยหลวงพ่อยังอ้อก็ดีเหมือนกันเพราะหลวงพ่อทํามาแล้วเรื่องเพลนี้ใครจะพูดหลวงพ่อฟังได้เนจากนั้นมากินข้าววันละมื้อกินตอนเช้าอืมกินตอนเช้าทํางานทํางานเหมือนกันแต่ว่าทนได้นานๆมะะันก็ยยอกให้มันน้อยไปก็ทํามาพอสมควรเรื่องมันอันนี้ก็เบียบเบียนตนเองร่างกายมันต้องการต้องให้มันแต่หลวงพ่อกระํามหลวงพ่อไม่รู้ว่าเบียเดเบียนตนเองนี่เป็นยังไงหลวงพ่อไม่รู้ นึกว่าตัวเองได้ถือศีลแชิงคัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นนึกว่าตัวเองได้นั่งนานๆนนภาวนาเชิงคัดขมหนักแน่นในใจไม่มีเพราะเราไม่เห็นแผลเราแผลที่มันลี้ลับเราไม่เห็นเลยอันนี้แสดงว่าการกระทําทุกอย่างนั้นอย่าพึ่งเข้าใจง่ายเกินไปและอย่าประดัดสินใจง่ายเกินไปเพราะท่านสอนว่าร้อยแปดลทัทธิร้อยแปดอาจารย์บางทีพระ สงองเจ้าไปสวยจับเอาละที่อื่นมาสอนเราก็ได้ครูบาอาจารย์ไปจับเอาละที่อื่นมาประเมินเข้าประมวลเข้าเป็นคําสอนของพระเจ้าก็ได้เพราะว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้เนี่ยที่ร้อยแปดคนอาจจะปะปนกันเข้าว่าจะเป็นคําสอนของพระเจ้านั้นเป็นจริงอยู่เพราะว่าการให้ทานทําได้เหมือนกันศาสนาชิกาเลียวอนุเคราะห์สงเคราะห์พวกเทศถือศาสนาพุทธเลว่าให้าทานเหมือนกันอันนี้นการให้ทาน แ้าในประเทศอินเดียก็มีคนขอทานมีคนให้ทานเหมือนกันดีแล้วอันนั้นแต่อันนั้นไม่ใช่เป็นทางคนทุก์เป็นเรื่องสังคมเรายังยินดีต่อการให้ทานยินดีต่อการรักษาศีลยังมีเสียงเยิยอสนอเสริญกันและยินดีป่าติดเบ็ดอันนี้บนี้พูดเป็นอิสระบัดเนี่ยอ้าวไม่ต้องติดไทยเลยบัดเนี้ยเป็นอิสระเลยไปไหนมาไหนตามชอบใจอยากไปก็ไ ป, ไปอยากมาก็ม า, มาอยากอยู่ก็อยู่อันนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วนี่มันเปน็นเพราะว่า ไม่รู้ติดตัวเองนี่เองอ่าพูดแล้วพูดอีกนั่นถ้พาพระเจ้าก็เลยประพูดว่าตัดทั้งหลายคือเราแตถาคตตัดทั้งหลายเหมือนเราแตถาคตคือกันเมื่ออย่างไม่รู้ต้องซีนนซีนี้ไม่มีจุดจบเลยแล้วคนผู้เดินตามจะไปที่ไหนจบกันที่ไหนที่มันจุดจบว่าเป็นอริยสัจนั่นนะไม่รู้เลยหลวงพ่อไม่รู้คําว่าสัจจะหมายถึงของจริงอ่ห้าแม้ข้าสัตว์อาเทนากาเมโมษา สลาที่กระลาโพน่าจะพิจารณาซาตะลุไปมันเป็นสินสิบสินยังษ์ไปแล้วก็ถือว่าสัจจะอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยนะผมไม่รู้อาอยุสี่สิบหกปีแล้วใครจะพูดยังไงฟังได้คําว่าสัจจะนี่รู้จริงๆแต่คําว่าสัจจะแล้วของจริงนะแต่ไม่ต้องพูดเรื่องอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมัสสัจจะอันนี้อันนั้นมันเป็นคําพูดบางทีพระพุทธเจ้ายจะพูดเรื่องนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่พูดเรื่องนี้ก็ได้แต่เราไม่รู้เพราะมันหลายคนเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมัสสัายเวันาจ็นธรรม เนี่พูดได้วิปัสนาเพราะตำรามันมีบางทีพระพุทธเจ้าอาจจะไม่พูดอย่างนี้ก็ได้ไม่จะพูดเรื่องนี้ก็ได้เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นการทําความรู้สึกตัวเนเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยอริยสัจจริงขมรู้สึกตัวจัจากเป็นของจริงบันนี้คนอื่นจะมาดีเหลือยเราไม่ได้รู้เรื่องเราไม่ได้หลวงพ่อกรรมมือในคนอื่นเห็นหลาพ่อกรรมือแต่รู้หลวงพ่อสัมผัสหนักเบาขนาดไหนไม่รู้หลวงพ่อพิจารณนทุกคนมองเห็นแต่หลวงพ่อมีความสัมผัสหนักเบาทใดไม่รู้เนี่ย คือว่าความรู้ของตัวเองเนี่ยดีเท่าที่ตัวเองรู้จริงแต่คนอื่นจะรูด้ดีคนเราไม่ได้เดือดตำแหนิงแผลเราอยู่ที่ไหนที่รีรลับเราจะรู้เองคนอื่นจะรูด้ดีเหนือเราไม่ได้นี่เรียกว่าสัจจะทุกคนต้องไปที่นี้บนันลัดเข้ามาเลยเป็นอิสระจริงๆคขาบอกอิสระเนี่ยหมายถึงไม่คล้องแวะไม่สนใจไม่สงสัยไม่สงสัยหรือไม่รู้ไม่ใช่อย่างนั้น เขาว่าไม่สงสัยหมายถึงว่าเราเดินมาแล้วทางสายนี้เราเดินมาแล้วเยเรารู้พระพุทธเจ้าจึงรู้แน่จริงว่าพวกเดรัจฉานวีสาวีสาขวงกั้นถนนพระพุทธเร้ามาแล้วเนี่ยให้เข้าสารออกสารได้มาอดเข้าได้ทุกอย่างพระพุทธเจ้าทำมาแล้วจึงว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้หลายทำอย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราแต่ทกคกนี้เนี่ยถ้าพระพเจ้าเห็นแล้วเนี่ยเห็นอะไรก็เห็นตัวเรานี่เองเคลื่อนไหวโดยวิธีควารู้ท่านจึงว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอินทรียบุคคทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้ท่านว่าอย่างนั้นเองเราก็ยังไม่ได้เข้ามาทีนี้เราก็ไปเรียนตำราเข้าใจอย่างนั้นเท่านั้นก็นยังไม่พอท่านจึงว่า ให้มีสตรีกำหนดรู้ในอินยาบทย้อยคู่เยียเขึ้นไว้คำว่าคู่เยียเขึ้นไหวเนี่ยหมายถึงอะไรแทงขาเนี่ยมันเข้าไปตามคอมันนะที่เอาที่นี้พับเข้าไปไม่ได้แขนเนี่ยมันต้องพับที่ตรงนี้นีะพับไปตรงนี้แล้วก็ต้องให้รู้จักว่าคนอื่นจะรู้เห็นเนือเราไม่ได้บัดนี้มันพิษตาเี่จะมือคึกขึงโยนที่กับมันก็ไม่ได้เนี่ยเพราะมันมันพิษขึ้นมาเองบัดนี้มันเลือดไห้เลยขรุขรูบัดนี้มันหายใจเข้าหายใจออกมันคิดก็รู้บัดนี้ ทุกวันเคลื่อนไหวที่คนมองเห็นได้อย่างไรที่คนมองเห็นได้ทิปตามองคนเห็นได้หายใจคนเห็นได้จิตนึกคิดไม่เห็นเลยคนอื่นจะรู้ดีกว่าเราไม่ได้เพราะใจเราคิดบัด น, นี้พระพุทธเจ้าจึงว่าพระวกลิกเนี่ยพรวกลิกในบรรดูพระพุทธเจ้าลูกสมอันนี้ก็จริงเราเคยพูดกันอย่างนตัวผมก็เคยพูดอย่างนี้เพราะว่าสังคมพูดกันต้องไปตามอันนี้ก็ต้องตัดเนื้อลายบัด น, นี้ <c oughs> ต้องเป็นหมอด่าตัดจริงจริงบัด น, นี้ อันนั้นไม่จริงหรอกจริงแต่จริงโดยสมมุติพระวกกะเล็กไปชอบพระพุทธเจ้าวันนั้นอันนั้นกระทู้ยินดีในอารมณ์คมสงบอันนี้เพราะมันคิดก็ยินดีในคงคิดว่าเจ้าของรู้อันนั้นรู้อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงอันนั้นพระวักะเล็กหนีหนีจากสำ น, นักเหล่านี่หนีไปอย่ามาอยู่ใกล้เราพระวกะเล็กเขจะไปโจรเหวตายก็เสียใจในอกคั้บอกให้ทําจังหวะเคลื่อนมือแรงๆเนี่ยไม่อยากทําเลยเพราะกรรมฐานเปน็น หนีไปให้พ้นก้นหมายเท่าหนีจากความคิดมีอารมณ์นั่นเองอย่าไปติดอย่าไปคล้องแยะอยู่กับอารมณ์ที่เรารู้นั้นทันวันย่งงังและความคิดที่มันปรุงแต่งอย่าไปติดไปติดอันนั้นอ่ะมันอยู่ในโรงทันวาอย่งังมันเป็นคําสมมุติทางนั้นและนี้พวกเรายังไม่ถึงที่สุดของทุกมันจะไม่รู้เลยไม่ใช่หลวมพอเป็นผู้ถึงที่สุดของทุกนะี่แต่ว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเสมอตัวทุกคนมีเหมือนกัน ทำไมจะเสมอตัวมีก็พวกหมู่กับมีแท่งมีขามีตามีเท่าเหมือนกันนี่ยเป็นผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันเป็นผู้ชายกับเป็นเหมือนกันมีธาตุซีคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคือกันมีคือกันหมดแต่เปะเตี้ยนแปลงไม่เหมือนกันเป็นบางส่วนนั้นทุกคนก็ต้องรู้แต่จิตใจคิดเหมือนกันเพราว่าธรรมะอันนี้เจะไม่เป็นของใครเลยเมื่อรู้แล้วจะสงวนลิขสิทิ์ไม่ได้รู้แล้จะไปสอนคนอื่นให้เขารู้ทันทีไม่ได้มันต้องลงมือทําเอง อันนี้จะว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองทันวันย่างไ น, นอันนี้ที่จะพาตัดวันนี้นะจะพาตัดเดือยอริยสัจเพราะว่าอริยสัจนี่คำว่าทุกสมุทยัยมีรสมากทุกมีจริงสมุทัยมีจริงนิโรธมีจริงมากมีจริงเลยกับไม่ต้องพาตัดตัวนี้หลวงพ่อจะพาตัดตัวสัจจะนึ่งทุกคนต้องตายคนไทยก็ตายคนจีนก็ตายคนฝรั่ง เมื่อคนยิงคนตายถ้าสงองจักษ์ตายนี่เป็นสัจจะอันหนึ่งเนี่ยตายสองแต่ทุกคนต้องเป็ประสบอันนี้จริงๆเนี่ยสามนี้ไม่พ้นถ้าเราทําจริงๆมันจะได้รู้เดี๋ยวนี้สี่เกิดก็ไม่มีตายก็ไม่มีเหมือนกับที่เอาไฟเอาไม่ไปเดี๋ยวไม่แห้งก็ตามไม่ดิบก็ตามไปสูบไฟแล้ววันนี้ไฟไม้มันเป็นเท้าขาวๆอันนี้เท้าไม่ดิบไม่รู้อันนี้เท้าไม่ตายไม่รู้ ถ้าไม่แห้งมปนึเป็นเทาเหมือนกันแต่ว่าเราจะตัดสินว่าตายแล้วเกิดกนไม่ได้ตายแล้วศูนย์ก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ตายแล้วเกิดก็ผิดตายแล้วศูนย์ก็ผิดนี่ก็เป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าท่ารู้มาดังนั้นเราต้องประสบจริงๆเรื่องนี้ถ้าหากไม่ประสบเรื่องนี้คือว่าเรายังไม่คาดเลยหลวงพ่อเคยทําให้ดูจะไม่จะทําดอกพูดเอาเสื้อพูกนี่พูกในตัดตรงกลางทับเมื่อเสื้อมันตัดตรงกลางทับมันจริงๆเสื้อมันจะมาตรริดเสาทับแนบแนบอยู่กับนี่เลย ท่านนั่นก็นจะแ น, แ น, น่นแต่นนะดึงเข้าไม่ถึงกันเลยเพราะมันขาดแล้วอันเนี้ยมันขาดแล้วอันนั้นเนี่ยท่านจะรู้เองจะตัดสินใจปุ๊บผมนั่นเลยนี่แหละสัดจจกแล้วของจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนพวกเราขันวายเราคือแตพวกเราก็คิดตกใจญาณโยมไม่อยากปฏิบัติธรรมเพราไปเสื่อมตำราญาณโยมปฏิบัติธรรมถ้าหากรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมเป็นพระเรียบบุคคลแล้วถ้าไม่บวชต้องตายเลยนี่ขันว่ายเลย แล้วผู้หิงก็ย่านหัวปาผู้สายก็ยันได้ป่าเมียไปบันนี้ก็ยัานได้บวชบันนี้หรือว่าย่านอยากย่านป่าลูกป่าหลานยันป่าทรับย์สินมรนคองเข้าใจอย่างนั้นหลวงพ่อก็เข้าใจแต่หงพอกล้าหลวงพ่ออยากรู้ธรรมะเป็นยังไงหลวงพ่อกล้าทำแต่หลวงพ่อกกลัวตายเยอะเช่นเดียวเอาคมตายเป็นธรรมดาหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นจ้ว่าเรื่องอสุภะไม่ต้องพิจารณาเลยหลวงพ่อเจ้าว่าตัดตรงเข้าไปเลยอันนี้เลยว่าลัดตรงไปไม่มีพลาดเลยเนี่ยสัมมาทิฏฐิที่หลวงพ่อคิดเองนะ แต่หลวงพ่อเห็นอย่างนี้คนอื่นจะเห็นยังไงไม่รู้สัมมาทิฏฐิว่าแต่ว่าคุณเห็นต้องตายในสิ่งตาจริงๆอันนี้ใครจะว่ายังไงอ้าวภาษาอังกฤษเขาจะว่าอย่างไงไม่รู้เนียภาษาคามนภาษาอินเดียจะว่าคนไทยต้องรู้ว่าตาภาษาอังกฤษเขาปฏิบัติเขาก็จะรู้ว่าตาเขาเขาจะว่าภาษาของเขาบันนี้คนไทยปฏิบัติเขต้องรู้ว่าตายเอาบันนี้คนไทยเมื่อปฏิบัติอันนี้รู้อันนี้จริงๆแล้วบันนี้บันนี้เดินไปละกิเลสได้อ้าวคนไทยก็จะว่ากิเลสเขได้ ลูกประเทศเอเซียวาอย่างกันทีเ่เลตหมายถึงอะไรไม่มีเดียวเดียวนี้เนี่ยทุกคนไม่มีโกรธเลยเดียวเนียไม่มีโทสะโมหะโลภะไม่มีเพราะเราไม่มีสัญญาตัวนี้เองงานที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเมื่อเราเดินทางไปเนี่ยเห็นต้นไม้อันนี้เห็นต้นไม้นี่พอไว้ปะเห็นต้นไม้อันนี้ไม่ไปสะดุดเลยแบบนี้เมืม่อสัญญาตัวนี้ทํำเกิดขึ้นมากขึ้นมาเลยโทสะโมหะโลภะไม่มีเลยมีขึ้นมาเพราะเราไม่มีสัญญานั่นเอง เมื่อเราไม่มีสัญญาตัวนี้เลยว่าน้ําสีอา้าวหลวงพจะเปลี่ยนน้าสีน้ําสีเต็มกระป๋องคุณภาพร้อยเปอรเซ็นน้ำสีแดงเอามาลงน้ําเอาผ้าขาวไปซุกน้ําแดงไปทันทีเลยเพราะไม่มีสัญญาตัวนี้เองบาดนี้อา้าวน้ําสีเต็มกระป๋องถูกไหมไปแล้วบัดเ น, นี้เอาไปลงน้ําเอาผ้าขาวไปซุกมันจะไม่ติดเลยเพราะสัญญาตัวนี้กันว่าที่ว่าถึงจะเป็นเครื่อง ก, ากําจัดสิเลตอย่างงาเพราะมันเป็นการที่วันหนักแน่น จึงไม่หลงไม่ลืมแนบแน่อยกับสิ่งเหล่านั้นแน่ที่ว่ามันหนักแนก่ยอดมีสินหลวงพ่อพูดจะเน้นไม่ต้องพูดอารมุปรูปน้นานะบัดนี้จะพูดเข้าขั้นเลยเพราะว่าจะให้เวลาน้อยๆจึว่าลูกขันลูกมีสินเวทนาขันเวทนามีศินสัญญาขันสัญญามีศินสังขานขันสังขามีสินวิญญาขันวิญญาณมีสิอคนที่จะมีสิลกับพ่อมีสัญญานั่นเองถ้าไม่มีสัญญาแล้วไม่มีศินเลย เพราะเราหลงนี่เพราะว่ากิเลสมันจะเข้ามาปั่วใส่ตาเราเลยบบบ น, นี้เราเรามีศีแลแล้วคู่ต่อสู้มาเอาเอาขึ้นมาเลยขึ้นในเวทีจกหลุมตาเลยใช้สองตานี่เลยคู่ต่อสู้จะสู้เราไม่ได้ทุกครั้งไปดังนั้นการเรียนตำราดีแล้วดังนั้นหมอมวยหมอหมวยนี่นะจะไปเรียนจะครูมันแล้วเป็นแซีนเปี้ยนได้ไหมไม่เป็ น, เ ป, นเป็นไม่ได้เพราะยังไม่เคยเข้าสู่กับคู่ต่อสู้มันเลยดังนั้นการเรียนตำราเพนไดเพนเทียงเผนที่เท่านั้นเอง การให้ทานก็ตามการรักษาสิ่งกามันเป็นขนมทานเนียมเป็นประเพณีบัด น, นี้ก่อนที่จะเป็นแซมเปี้ยได้ต้องต่อสู้ในเวทีทุกเวทีคนนั้นใหญ่กว่าเราสูงกว่าเราน้อยกว่าเราแม้ํานานก็แล้วไม่ต้องคิดเลยอันนี้พูดให้ฟังขึ้นไปในเวทีไม่ต้องไหว้ครูเลยเพราะเรียนมาแล้วกับครูยางใส่ถ้าเขาซกเราก็เป็นธรรมดาเราไม่เ ท, ท่สนาะแต่ไม่ต้องซกเลยพอเดโคต่อสู้เข้ามาไม่ต้องมองที่ไหนซกแขนซกขามันจะไม่อยู่ ยกลุมตาแต่สองตาปุกบพร้อมกันเลยทั้งมันจะไม่เจ็บบางก้ดดงอนหมืนตาไม่ได้แต่มันมืดเนี่ยเอาลองดูก็ได้มืดตึ๊ดแลก็เอาเราก็เข้าไปจาะกดหัวมันได้ก็ได้อพอเดี๋มันลุกขึ้นมาตีตาอีกซึ่แล้วเนี่ยอันนี้อันนะจะได้เป็นแซมเตี้ยนเห็นว่ายัางไงอันการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันมันสมมุติพูดให้ฟังดังนั้นเราไปติดตําลาอยู่กับเหมือนนกติดตังนั่นเองเราออกจากตาําราวางไว้ตำลาอย่าไปทําลายถ้าไปทําลายไม่ได้ ดังนั้นเมื่อใดยังไม่วางตําลาแล้วก็คูกพันเรืองนั้นแหละเป็นอย่างนั้นได้ว่าอุปาทานก็ได้คิดว่ายัางไงก็ได้จริงไหมคว่าอุปาทานเนี่ยมันลึกรับซับซ้อนจริงๆดังนั้นคิดว่าทุกคนต้องเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงทําลาเสียด้วยนะฟังเนี่ยหลักตณะจิตใจอันนี้แหละมันจะไปฟังว่างไปเนี่ยว่างว่างคำว่าจิตว่างวางว่างเนี่ยมันไม่ใช่จิตว่างนะวงว่างไปได้กว่ไม่มีอะไรวงว่างเข้าไปวงว่ า, างเข้าไปมันจะพอมีปัญญาวางว่างเข้าไป เมื่อว่างว่าอันนี้เข้าไปามันจะไปถึงที่สุดของทุกได้ทันวันอย่างนั้นเมื่อไปวางว่างเข้าไปไม่มีอะไรมันจะขาดตึงเพราะดูคุกคิดนี่เองดูการเคลื่อนไหวนี่เองการทําให้มีความรู้สึกอันนี้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจไม่หลงเนื้อไม่หลงตัวไม่หลงกายไม่หลงใจทั้งวันใจมันเคลื่ปึ๊บใจเห็นทันทีเพราะหนูกับตัวโตแมวกับตัวโตมีกําลังเสมอกันแต่แมวไม่เคยงกลัวหนูเลย นักโมยคู่ต่อสู้เราก็เช่นเดียวกัคันท้าเขากลัวเขาจะมาสู้เราทําไมเมื่อเขาเคยซกมาหลายวิธีเหมืนกน็เราก็ไม่กลัวหนูก็เช่นเดียวกันถ้ามันกลัวมันไม่ออกมาเลยมันไม่กลัวมันจะออกมาขอดีมาเจอแมวเข้าจับพุบตายทันทีเลยความคิดประเทศนั่นก็เช่นเดียวกันพอดีมาเจอกับการเห็นแจ้งการรูเ้เมันจะดับศูนย์ไปจริงๆริแต่ไม่ใช่ดับศูนย์ไปมันใช่มันจะบุกคิดนะบุกในอันนี้เลยควมคิด ออกหน้าแล้วไม่มีโอกาสเจรจ า, าได้ต้องเอาคมเห็นแจ้งออกมาไปวงว่า ง, างไปวงว่างๆคันไปเองไปเมื่อนั้นเข้าอารมณ์นั้นเข้าอารมณ์นี้ไม่ใช่ตรงกลางแล้วนะั้นคือมันยังไม่เห็นแผะอันนั้นเองตำแหน่งเราที่ไี้รับเราไม่เห็นคือตำตำแหน่งของเราคือว่าสมมุติเอานั้นอารมณ์ชอบใจเราก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อารมณ์ไม่ชอบใจเราเท่เนี่ยตำแหน่งมันอยู่ในเถะอยู่ใน เราไม่เห็นอันนี้แหละจึงว่ามันไปรู้อันนั้นอันนี้รู้พระใจปิดกเรื่นั้นอาตมาไม่ได้ห้ามในเรื่องนี้แต่เรื่องพระไตาปิดกเป็นเรื่องแทนทีเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นตัวการกระทาตัวการกระทำคือตัวรู้สึกตัวนี้เอง